อ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ั ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم و ยตันอ ن ลรจีมวะอินวะอินนั้ وَإِنَّهُ م َ ع ن َ ن ا ل م ِ ن ا ل م ُ ص ْ ط َ ف َ ي ن الْأَخِيرَ و َ ذ ك ُ ر إ س ْ م َ ا ع ِ ي ل َ وَالْيَسَعَ و َ ذ ل ك ف و ذ ك ُ ر إ س ْ م َ ا ع ِ ي ل َ وَالْيَسَعَ و َ ذ َ ل ِ ك ف َ و َ ك ل م ن ا ل أ خ ي وكل من الأخر هذا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب إ ن للمتقين لحسن ماب جنات عدن جنات لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متدين فيها يدعون فيها م ت ي فيها يدعون فيها ي و ن فريه كثير وشراب يدعون فيها ب ف ك ر ة كثير وشراب وعند أم قصرات الطقي أشراب وعند أم قصرات الطق في ر ب هذا ما ع د ن اليوم ا ل ح س ا هذا ما ع د ن اليوم ا ل ا ب س م الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مُدللا وما يُضلّ فلا هاديلا و ش ه د أ ا ل ل ه إلى إلّا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله الله وبك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت و ل ي ل ك نشور أعوذ ب ك ل م ا ت الله ا ل ت ا م ت من شر ما خلق بسم الله ا لذي لا يضر ما اسمه ش ا ي م في الأرض ولا في السماء وهو ا ل سميع عليم رضيت بالله رب وب الإسلام دينا وب محمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء ا ل ك ب ا رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي ع وعافني في بصري اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك ي أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر النفس ي وشر الشيطان وشرك وان أ ق ت د ف على ن ف س ي شرها أو أجره إ ل ى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملذ والحمد ل ه وموالك ل ش ي ء قدير رب ي أسألك خيرنا فيها ذ اليوم وخير ما بعده รับบีอาอูดุบิกะมินอัลกัสสลิวัสูอิลกิบริรับบีอาอูดุบิกะมินอาดามิฟินนาริวอาดามิฟิลควบริสุลามุลัยลุมะลัยมัตุะห์ลลอฮฺบารัะห์อัฮฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺออฺอฺ สองสามอาิตย์นะทำดีลดีใจนะครับคนที่อ่านกัรอ่านเพราะเพราะอ่านดีๆนะครับก็คือคนที่กินคาฟิสกุรานนะครับทำดีลอัลลให้นะเสียงกัมรอ่านะบางคนเนี่ยอ่านอัลลอฮฺ น, น, น้ตามขาจะไหลทำดีลขอบคุณอัลลุฮาห์นวาตาละนะครับที่อัลลอฮฺให้เราใ ช, ช้ชีวิตผ่านเดือนมาแล้ว แล้วก็บวชหกแล้วอัลฮัมดุลิลลา์สำหรับคนที่บวชหกติดต่อกันนะนะจบแล้วแต่ว่าไม่จะเป็นจะต้องบวชหกเนี่ยติดต่อกันนะครับหกวันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องว่าต้องที่หนึ่งที่สองที่สามที่ ส, สี่ขอให้อยู่ในเดือนเดือนชาวานนะครับขอให้อยู่ในเดือนชาวานนี่นะอะไรนะ ไม่ต้องไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะครับขอให้หกหวันในเดือนสาวาเนี่ย่าเค้าก็ถือซื้ออดตลอดทางอะไรทางปีอธิบายยังไงอ่ะอัลลอ์เนี่ยให้ความดีกับกับมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยทำหนึ่งได้สิบทำหนึ่งเนี่ยหนึ่งความดีได้ได้สิบความดี เราถือบวชเนี่ยสิบวันเท่ากับร0อยวันใช่ไหมละ่ะถ้าสามสิบวันเท่ากับสามรอยวันแล้วก็อีกหกวันอีกเป็นสามอยหกสิบเท่ากับถืออดตลอดทั้งปีนี่ใครให้ต้องกัาบอัลฮัมดุลิลลอ์อัลลอฮ์เล่าเรื่องนี้ผ่านนาบีมุฮัมมัดให้นบีมาสอนอุมมักของท่า น, ท, นทั่วโลกเจ็ดพันล้านคนเนี่ยนะครับ แต่คนที่เดินตามนบีแค่สองพันแล้วเหสองสองพล้านเองแต่คนที่ขวางให้ตามนบีมีไหมมีคนลังกอเหยียดอยู่ในประเทศปาเลสไตน์อยู่ขนาดนี้ก็คือยิวฮูดีนั่นแหละพี่น้องดูความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องเราทบทวนอัลกุรอานวันนี้เจ็ดอายะธรรมดาก็5ห้าอายะวันนี้เยอะหน่อยเพราะว่าอายะสั้นๆนะครับบารฮัมดูลิละ เจ็ดอายะของสุรซอสุรที่สามสิบแปนะครับคำดิล uh, um, ิเลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งไม่ได้แปลคำหนึ่งไม่ได้แปลนะคำไหนรู้ไหมอูลิลไอดีวัลอบุอร์อูลิลไอดีวัลอบุอร์ อจะสานารอฮิมะวิสฮะยัยดีวลัลลอฮ์ l ด้กชื่อนบีอย่างน้อยสามท่านให้นบีมุฮัมมัดฟัง เล่าประวัติของนบีสามคนให้นบีมูฮัมมัดฟังให้นบีมาสอนพวกเราในแง่ของการอดทนในแง่ของการอดทนอะไรบ้างอุสกุดจงรำลึกถึงอิบาดนะบาบาวของเราหนึ่งอิบรอฮีมสองอิสฮักอิสฮักนี่เป็นลูกชายนะ อิบรอฮีมมีลูกคนโตชื่ออิสมาอินกำลังทะเลาะกันอยู่วันนี้นะ่ะยะฮูดีกับกับมุสลิมนะในโลกอาดับนนะครับคนทะเลาะกันพี่น้องกันแท้ๆเลยเนี่ยอิบรอฮีมมีลูกชายคนโตชื่ออิสมาอินลูกชายคนเล็กชื่ออิสฮะแต่ยะฮูดีว่าลูกชายคนโตม่ใช่อิสมาอินอิชฮะอ่าทะเลาะกันอย่างนี้แหละแล้วคนที่สามมีหลานนาะยาคู ลูกของอบดีลอ์ฮากฮิสลามสามคนนี้เอาลอดชมว่ายังไงอุลิลไอดีเขาว่าไอดีหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจคขาว่าอำนาจเนี่ยอธิบายอย่างนี้อำนาจหมายถึงอัลกูวอลลาอัลอิบาดมีความแข็งแรงในการทำอิบาดะชอบทำอิบาดะ อุลิลไอดีบอาว่ามีมีอำนาจนี่นะแปลว่าชอบทำอยู่บรรดาเช่นชอบอ่านคมพีชอบถือสินอดชอบนามาชอบทำดีกับพ่อแม่ชอบเรื่องดีๆหมดเลย น, ะนี่อลัลลอฮ์ชมคนดีๆอย่างนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ชมให้นบีอุมัดฟังเอาเลียงแบบรูปแบบของบรรดาสามนาบีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็อีกคำหนึง วันอับศอผู้มีสายตายาวผู้มีสายตาหมายถึงมองด้านศาสนาเป็นใหญ่ยะฮูดีวันนี้น่ะมองวัตถุเป็นใหญ่แต่ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยให้บรรดานบาบีของพวกยิวเนี่ยพวกบรรดาิสราเอลเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยมองศาสนามองอาคีระอบเป็นใหญ่ไม่ใช่มองโลกดุนยา เป็นใหญ่วันนี้ยะฮูดีมองโลกดุนยาเป็นใหญ่ถึงต้องการที่จะครองโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็มองคนอื่นที่ไม่ใช่ยิวนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่จากคำพีดตันตันตนตัตตตมุสทั้งหมดผมก็อ่านดูนะอ่านดูนะบรรดาอาลีมโลมลาม่างในเมืองไทยก็พูดเรื่องนี้บ่อยมากตอนนี้พูดบ่อยมากเลยเพราะฉะนั้นยะูดีเนี่นะอลัลลอ์เมตานะ ให้ลูกหลานของยากรูปเนี่ยของอิสลามเนี่ยมีนบีเต็มไปหมดเลยอ่ะจนกระทั่งนบีคนสุดท้ายใช่ไหมคือนบีอะไรนบียายฮิซ่าอะเลฮิสซ ล, ลามและคนยิวก็รออยว่านาบีคนสุดท้ายจะต้องมาแน่ๆเข้าใจว่าจะต้องมาในกลุ่มพวกเขาไงแต่อัลลอฮ์ให้เกิด น, นบีมุฮัมมัดเป็นนบีคนสุดท้ายในโลกอาระบซึ่งเป็นลูกหลานของนบี อิสมาอินกับอลฮิสลามลูกคนหัวปีใช่ไหมนี่แหละถึงได้เกิดปัญหากันวันนี้แล้วก็คนที่เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเนยะ์ยูดีทั้งหมดนะทีนี้นิสัยของคนยูดีเนี่ยแต่ผมเช็คจากคูนอ่านนะครับแล้วก็ฟังด้วยข่าวจากไรนะั่งจากเารีราเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จากดูไบาจากซาอุดีจากกูเวจากสูดานได้ข้อมูลบอกว่า สิฟา้ากุยยาหูลักษณะของคนยูเนในอัลกุรอานมีเยอะจะเล่าสัก5้าหข้อพอนะข้อที่หนึ่งอยุบหนูที่คลาดที่คลาดไม่กลา้าที่จะมายืนฆ่ากันสองต่อสองไม่กล้าครับมันต้องหลบอยู่ในกำบังก่อนแล้วก็สวมอาวอุธอะไรนะจรวดอาไปลงที่นั่นน่ะ นั่นคือความขี้ขาดว่ามันไม่กล้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับผู้ศรัทธาต่อหรอกเข้าใจนะเรื่องเรื่องที่สองหลงดุลย์ยาฮุบุษ ด, ดิลิ ด, ดุลยาหลงดุลยานะไม่ไม่นึกถึงโลกอาคีรา์เลยนึกแต่เงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศต้องการที่จะครองโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวกุมเดีย ว, ยวก็กลุ่มกลุ่มยาหูตแล้วก็มองคนอื่นที่มาจะยุยาหุตนีนะมองเป็นอันิเมอรเป็นสัตว์ เอกสารอย่างนี้เป็นต้นข้อที่สามตหารีฟกาลาบุลลอห์เปลี่ยนแปลงพจนานของอัลลอฮ์ข้อที่สี่นะครับการอหิยตุลมุสลิมินรังเกียร์รือชังเกียดชังพี่น้องมุสลิมทั้งหมดใครที่เป็นมุสลิมที่อีหมานต่อรออิหมานตอรอซูลอีหมานต่อหกข้อ อิมาตกดกอตอกระดับของอัลลอฮ์แล้วก็นมาห้าเวลาแล้วก็ถือศีลอดทำพิธีพวงนี้นะยาฮูดีเกลียนหมดเลยครับแล้วมีโอกาสมันฆ่าทันทีเลยนะครับแล้วก็ข้อที่ห้านะครับก็สวาตุลกอนบีหัวชาแข็งกระด้างมามันฆ่าทั้งผู้หญิงง่มฆ่าได้เด็กก็ฆ่าได้ทําได้หมดเลยอ่ะข่มขือด้วยมันสารพัดมันทําทุกอย่างนะครับนี่ยาฮูดีลักษณะของคนยาฮูดี้ในคัมภีร์อัลอุอ่านนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับกิตมานุลฮักปิปิดบังความจริงเรื่องดีๆอยู่ในคำอยู่ในคำพีเยอะมันปิดบังหมดเลยแล้วมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะแล้วอีกข้อหนึ่งกทุลอัมเบียฆ่าบรรดานาบีมาหลายคนแล้วนาบีคนสุดท้ายนาบีอีซามันก็มันบอกว่ามันฆ่ามันจับนาบีอีซานี่ยขึงบนไม้กางเขนยะฮดีเปนน็นคนทํานาจะคริสเตียนไม่รู้อ่ะ มันไปเปลี่ยนแปลงคำพิย์แต่นักคำพิย์กูอ่านอธิบายยังไงรู้ไหมคนยิวไม่ได้ฆ่านาบีอินบีอซาคนยิวไม่ได้จับนบีอีสานตึงบนไม้กางเขนวารากินชุบบดีหละหุมคนที่มันจับไปตึงบนไม้กางเขนและฆ่านั้นคือหน้าคล้ายคล้กับนบีอีสาอะอิสลามแต่นบีอีซาไปไหนล่ะอลัลลอฮ์ยกไปบนชันฟ้าแล้วแล้วก็จะลงมาอีกทีหนึ่งใกล้ๆจะวันวันกิยมามะเนี่ยมาปราบ ตัญมาค่าหมูมะค่าสุกรมหักไมก้แังเขนจะมาอยู่อีกเจดปีแล้วก็เสียชีวิตไปฝังที่หนาวหรือไม่ฝังที่คู่กับศพนบีมาที่นครมดีนาะเห็นยังครับมายืนยันในหลักคำสอนของอิสลามคำสอนของมูฮัมหมัดนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องแล้วที่เรายึดปฏิบัติจะอยู่เนี่ยนี่มาจากอัลลอ์ถูกต้องผ่านนาบี ม, มูฮัมหมัด และน บ, บีอิสลาจะลงมามายืนยันคำสอนของนบีมูฮัมมัดอีกครั้งหนึ่งสบายใจครับห้มัมจะเลระไม่มีเวลาพูดอย่างนี้พูดอ่านต่กสี่อ่านนะครับเอาทีนี้ต่อมาอายาที่จะไหลวันนี้สี่สิบเจ็ดวาอินนาหุมอิบะดานาวาอินนาหุมอินดานาดะมินัลมุสตฟายนัลอัชยาร Allahumma wa inna hum aibadana wa inna hum aindana la min a ดูซับก่อนไปเนาะอินดานาแปลว่าในทัศนของเราในความในทัศนะ หรือว่าอยู่กับเราอ่าอยู่กับเราทัศนะของเราอัลมุสตาไฟนี่นี่เป็นคําประพูดนะมาจากอิสปาฟานับมูสฟแปลว่าผูดไดดไดาา้ได้รับเลือกผู้ดได้รับเลือกอิสปาฟาแปลว่าได้รับเลือกมุสตาไฟนี่ผู้ได้รับเลือกคนที่อัลลอฮ์เลือกมาเนี่ยนั่นแหละ เป็นเบาของของเรานะครับเป็นคนดีอยู่อยู่กับเรายศศนะของเราอัลอาขยาสมาจากคอยรุนแปลว่าความดีที้หมายถึงดีเลอร <Okay. S 1> ์งกับเมาตุนไปอํออาอําอําว่าเนี่ยเมาตุนอาําว่าคอยรุนอาขยาบแต่อะไรนะดีเลอรคนที่ถูกได้รับเลือกกับคนที่ดีที่สุดอ่า คนเดียวกันอัลลอฮ์ให้สองของอะไรนะสองตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งที่หนึ่งอัลลอ์เลือกมาคนที่สองที่เลือกเพราะเขาเป็นคนดีอาขยาตวัดดีเลอร ด, ดีเลเลือกเพราะอะไรอัลลอฮ์มองตรงไหนถึงได้เลือกเลือกขึ้นมาเป็นบ่าวของฉันให้เป็นตัวอย่างกับบุคคลทั้งโลกวันนี้ แล้วก็เป็นคนที่ดีเลิศในแง่ไหนหรู้ไหมในแง่ของการอดทนอดทนทําอะไรอะ่ะบุคคลเหล่านั้นอะ่ะมีชื่อไหมีชื่อเนี่ยประเมาณอะไรบ้างอะ่ะมีชื่อเยอะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะอยายะที่สี่สิบแปดจะมีชื่อบุคคลที่อัลลอฮฺเลือกมาแล้วแล้วที่เลือกที่ที่ทผ่านมาอาทิตย์ที่แล้ ว, วมีใช่งไหมน่ะนั่นแหละอัลลอฮฺเลือกมาทั้งหมดเนี่ยให้เป็นบุคคลตัวอยา่าง เป็นบุคคลที่ดีที่สุดในแง่ไหนในแง่ของการเผยแผ่าศาสนาแล้วก็ถู ก, ก, กรังแกไม่เคยโบนเลยแบบนบีมุฮัมมัดสุลาลอัซมใช่ไหมอ่านดูสันะครับแต่แท้จริงวะอินนุมแต่แท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นอินดานาในทัศนะของเรานั้นลามินัลมุสตาไฟนี้แน่นอนอยู่ในหมู่ ผู้ได้รับเลือกอเลือกมาเลือกตั้งมาแต่เลือกตั้งนี่ไม่ใช่ระบบที่จะฮูดีกําหนดนะชาคะแนนเสียงเห็นไหมล่ะพอชาคะแนนเสียงแล้วเป็นไงล่ะคนที่รวยกว่ามีพวกมากกว่าก็เอาไปชนะหมดเลยแต่เอาล้อเลือกไม่ได้ผ่านอย่างที่ระบบมนุษย์ตั้งเอาล้อเลือกเอาคนที่หัวใจสง่างาม ว่าใจที่สะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์คนที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์คนที่กลัวอัลลอฮ์คนที่นึกถึงอัลลอฮ์คนที่ต่ปฏิทำผิดแล้วต่ บ, บาตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เลือกคนเหล่านั้นมาเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับชาวโลกทั้งหลายอัลอาคยาแล้วกว็ดีเลิศอัลลอฮฺอัลเบตเป็นคนที่ดีเลิศในตับซืตอธิบายอย่างนี้เลือกให้เป็น คนที่ดีเลิศน่ะเพราะหัวใจของพวกเขาไม่มีสามเรื่องอ่าไปต้องบันทึกไปเลยนะหัวใจที่อลเ่าเลือกคนเหล่านี้เป็นบุคคลตัวอย่างแล้วก็ดีที่สุดนั้นมีความดีของชั่วชั่วสามรายการไม่มีอะไรบ้างรู้ั้ยอัลบากดไม่เคยโกรธใครเลยแต่พวกเราไม่ไเปล่า คนแล้วนี้ขนาดถูกรังแกเนี่ยอัลบาเาดความโกรธไม่มีอัลลอหฺอักลอฮโกรธไม่มีถูกรังแกไม่โกรธห็นไหมข้อที่สองวัลฮัสดัดไม่มีคำว่าอิฉาอ่าอิฉาไม่มีอัลลอฮฺพอใจนะถึงได้ลบลงชื่อในอัลกุรอานโดยคนนี้ฉันเลือกแล้วนะ แล้วก็เป็นคนที่ฉันดีที่สุดนะข้อที่สามนะครับอัลฮักดูไม่เคยผูกพยาบาทหรือว่าอั ล, อ, ลอัลฮิกดูคากรซอรือฟาคาก็ได้หนึ่งไม่มีความโกรธสองไม่มีคำว่าอิฉาสามสไม่มีคำ ว, ว่าแก้แค้นผูกพยาบาทไม่มีในใจไม่มีมีเรื่องในใจหมดเลยนะมันจะเรื่องในมือนะเรื่องในใจนะหนึ่งอิฉาไม่มีสองโกรธไม่มี ไม่เคยเครื่องใครเลยแล้วก็ไม่เคยแก้แค้นผูกพยาบาทโกรตั้งสี่วันห้าวันปีสองปีอย่างยาวูดีเนี่ยนี่โดดกรธจนทั้งวันวันเกียรติเนี่ยเห็นค่าเป็นน้องมุสลิมพระเจ้าเราพอใจไหมอลัลลอฮ์ไม่เลือกนะแต่หัวหน้าอิมอะไรนะบรรดานะบนานะบีของเขานะ่ยเป็นคนดีนะฮะแต่ ล, ลไไูก น, น้องเป็นไงบอเน่มอตนนะัวไปกราบเขาขอที่อยู่ในปาเลสไตน์พอเขาให้อยู่เราก็มากล่งวันนี้ไรก็ออกจาก พื้นที่ของตัวเองอ่ะไม่อยากแตะเรื่องตรงตรงนี้นะครับเพราะเวลาไม่ไม่มีตัวรองว่าที่อลัลลอ์เลือกบรรดาอับดุคคลตัวอย่างและเป็นคนดีน่ะหนึ่งในใจของบรรดานาบีเหล่านั้นไม่มีอะไรนะความโกรธโกร ธ, กรธเครืองไม่มีข้อที่สองไม่มีอิจฉาริษยาใครข้อที่สามไม่ผูกพยาบาททะเลาะ ก, กัน แต่ไม่เคยผูกพยาบาลแล้ววันคืนดีกันภายในกี่วันที่เราเรียนมาน บ, บีสอนะไม่เกือบสามวันอย่างนี้เป็นต้นต้องคืนดีกันรวมมาถึงสามีภรรยามันด้วยนะ่ะอย่ยางนิสัยย ahu ดีมาใช่ก็ดูน บ, บีเป็นแบบน บ, บีอยู่กับภรรยาเนี่ยเคยจะเล่ากับภรรยาไหมเคยไหมไม่เค ย, บ ย, เค ย, ย, เคยน บ, บีสอนนะ ว, ว่าให้สามีอาภัยความผิดของภรรยาถ้ามีอยู่บ้างนะวันละเจ็ดสิบครั้งเห็นยัง มีใครสอนบ้างในโลกเนี้ยให้ให้อภัยคนน่ะมีจต์อิสลามที่พ่านนบี ม, มุฮัมมัดบอกให้อภัยภรรยาวันละเจ็ดสิบครั้งอ่ะเราทำเปล่าคนที่ทํานบ้านมีความสุขคนไม่ทําก็ก็เครียดไปใช่ไมเพราะหลักการองอัลลอฮ์ให้ผ่านนบี ม, มุฮัมัดมาแล้วนะความรู้ที่ผ่านมาแล้วเอาต่อมาครับตัวองว่าสาเหตุที่อัลลอฮ์มุสตอฟายนี่บพรว่าเลือกมา แล้วก็อัลอาขยัดเป็นคนดีเลิรนั้นเพราะไม่มีสิ่งสามรายการในหัวใจของเขาเพราจฉะนะต่อตมาอายัที่48วาสกริสมาอิลวาลยาสาวาสัลกิฟลิวกุลลุมมินะลัชยารอัลลอฮุอะลัย ว eh? <ored> َาด <und S 1> <unter> ุคุริสมาอิลวัลยาสอาวะล์ค <bells> ิฟลิกุลุมินัลอัชยารอัลลอฮฺอัลลัลอฮฺอัลลอลลอฮอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลลอฮอล คนดีเลิเนี่ยกุลลุ่นเพราะว่าทุกๆคนที่เอ่ยชื่อมาทั้งสามคนนี่นะเป็นคนดีเลอรอะไรบ้างวัดสุกูตแล้วว่ามุฮัมมัดเอ่ยพอขุนอาในปะทานหว่ากษัตริมุฮัมมัดใช่ไหมอ้อก็ บ, บอกจิบรีนให้จิบรีนมาหานาบีมุฮัมมัดที่มักกะที่มา ด, ดินาด้วยให้นาบีเนี่ยเอ่ยชื่อบุคคลทั้งสามดังต่อไปนี้ ให้อุมมาของนบีฟังว่าบุคคลเหล่านี้มีใครบ้างหนึ่งอิสมาอิพอจะจำได้ใช่ไหมอิสมาออยู่ที่ไหนนครอะไรมักกะมะชื่ออะไรนางอาจาใช่ไหมพอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็นบีบรอฮีมเดินกลับใช่มนึกภาพใช่ไหมนางถามาว่าเอาฉันมาปล่อยทำไม ผูอย่างสองสามครั้งนราอยริมไม่ตอบน้ำก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดใหม่เอาล่อสั่งใช่ั้มถามครั้งแรกเนี่ยเอาฉันมาปล่อยทำไมถามถูหรือถามผิด <c oughs> แต่นั้นนี่บอกกับผู้หญิงนะบอกกับภรรยาเราที่อยู่ที่บ้านน่ะจะคุยกับสามีก็ต้องนึกก่อนคุยยังไงให้มันดีที่นางฮะญัตเนี่ย ถามสามีว่าเอาฉันมาปล่อยทำไมพูดสองครั้งสามครั้งนบีประยิมเดินเฉยตอบไม่ได้อะเอาฉันมาปล่อยทำไมนางก็เรคิดออกกันนะคนวิศาสนาเนะี่ยสามีเป็นเป็นนบีด้วยแล้วมีศาสนาด้วยก็ถามภาษาใหม่อัลลอ์เพราะเลยอัลลอฮ์นี่จบง่ายเลยอัลลอ์ใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งใช่ไม้ม เพราะว่าอย่างนั้นกลับมาเลยใช่อัลลอฮ์สั่งเพราะอัลลอฮ์สั่งนางผููต่อไว้ว่าไลยาวติยานาถ้าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะไม่ทอดทิ้งจะไม่ทําให้ฉันลำบากไปได้เลยได้ไหมนี่ภาษาเนี่ครับภาษาถามเนี่ยอัลลอห์บอกว่าอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งบอกใช่แล้วอัลลอฮ์สั่งนางพูดต่อเลยถ้าอัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์จะไม่ทําให้ฉันงั้น พินาศย่อยยับลําบากมีปัญหาแล้วเป็นไงครับลำบากเป่านั่นคนที่สร้างเมืองมักกะปะปัจจุบันคือนางฮะจัลเป็นใครยาของนบีอิบรอฮิมจชไหมนั่นแล้วมีลูกชายชื่ออิสมาอินคนสร้างนครมักกะปะปัจจุบันแล้วก็นบีที่ก็ขอดุทิรู้เป่าให้มีนบีขึ้นมาคนหนึ่งเป็นนบีคนสุดท้ายนั่นแหละกว่าจะอลัลลอฮ์จะรับอุทิศเป็นพันปีนะ เป็นพันปีพี่น้องเราต้องการอยอธิบายให้พวกเราฟังว่าการขอดูอาณนะมีห้าอย่างหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ชา้านี่ไงกว่าจะได้เท่าไหร่พันกว่าปีมีอิมามีนบีมุฮัมมัดคนสุดท้ายขึ้นมาที่นครมั ก, กะใช่ไหละยอหูดีดาตอเอกโอโหยอฮูดีเล่นงานอีกใช่ไหม ฉะนั้นมุสลิมนี่จะต้องระวังตัวตลอดเวลาอยู่กับอัลลอฮ์เยอะๆนำมาที่คาอ์อ่านอ่านสมบัติจ ะ, จะรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ไหนกันแน่เข้าใจนะแล้วก็ข้อที่สามขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งขอลูกผู้ชายอัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงอย่างนี้นะข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาระไม่มีอธิบายคิดเองได้ไหล่ะไม่ได้แต่บาระไม่มี ข้อที่ห้าเนี่ยขอแล้วไม่ได้แต่ได้ในโลกอาคิรอดโอ้โหสงางงามนะได้ในอาคิรอดโดนยาไม่ให้ให้ในโลกอาคิรอดที่ต้องก็ต้องเผื่อไปด้วยนะไม่ใช่ได้บนโดนยาอย่างเดียวอาคิรอดไม่ได้อะไรเลยจากลล็รอดจะเสียใจนะฉะนั้นได้ในาอาคิร อ, อ, อดเยอะๆก็ดีหนึ่งอาคิรอดเนี่ยได้ไปแต่กุโบนะไม่ถูกลงโทษที่กุโบดีเลยไม่ดี มะไรกล้ามาม า, มาถามสามข้อตอบได้หมดเลยดีหรือไมด่ดีนี่ไงขอบนดุญยาไม่ได้แต่อลรวจไปให้ไปรับในกุโบโพอฟืน้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพและเดินไปทุ่งมาชัดและเดินแบบสบายๆไม่เหนื่อยเอาได้มเอานี่ไงจากนั้นขอความดีขอขอนู่นขอนี่บนดุญย์ยาอารวจไม่ให้แต่อารวจจะกักเอาไว้ให้หลังตายดีหรือไม่ดีถ้าทมดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาต่อมาครับวะลยาซายาซ่เนี่ยเป็นชื่อนบีก่อนจะเป็นนบีเน่ยเป็นเป็นเป็นคอลีฟะเป็นตัวแทนของนบีอิลยาสในสุร้อื่นนะครับในสุร้อื่นอธิบายแบบว่ายาซ่เนี่ยเป็นคอลีฟะเป็นผู้ที่อะไรนะเป็นตัวแทนของนบีอิลยาสไปเผยแพ่ศาสนา แล้วต่อมาเนี่ยอลัลลอฮ์ได้แต่งตั้งให้เป็นนบีทำดีแล้วนะก่อนเป็นนบีทํางานเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวแทนนบีก่อนใช่ไหมไปเผยแพรนะ่ศาสนาถูกด่าบ้างอะไรบ้างอดทนไม่ไม่โต้อตอบเพราะความดีนี่แล้วเพราอดทนสูงอลัลลอฮ์ก็แต่งตัง้งอัลยะซ่าเนี่ยเป็นนบีคนหนึ่งแล้วอลัลลอฮ์ก็ชมตะกุ้อ่านต่อมาคนที่สมวะซัลกิฟลีหรือวะซัลกิฟลี อ่าูกี่เป็นชื่อนบีทั้งหมดเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้นี่นะเป็นบุคคลที่กุลุนทั้งหมดในอายะอื่นน่มีทั้งหมดสิบสิบนบีอัอรอันอามอรอับอับียรอันอามอัอับียอธิบายอย่างมีนบีอิสมาีนบียสยูนุสลู Ismail, Idris, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, semua nabi dekat. Nah, na. Nabi yang lain. Jadi kurnul, tang mod nabi lawan ini, menjadi bukan yang al akhirah, menjadi bukan yang dealer. Sempat jaya? Saya cek naib, berjalan naib, sebaik jaya, sebaik jaya. Alhamdulillah. t i a a อาขยาดอนเลือกมาเป็นคนดีเพราะไม่มีสิ่งสามรายการไหนหัวใจเราทําได้ไหมเชียวเนาะพัฒนาตัวเองหนึ่งไม่อะไรไม่อะไรไม่อิจฉาสไม่หูกพยาบาทสามไม่โกรธไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทไม่อะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่แก้แค้นเ น, นะ เ, เนี่ยใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์เนี่ย ถ้าไม่มีในหัวใจของใครนะสักระยะหนึ่งอลัลลอฮ์ก็จะยกท่านให้เด่นขึ้นมาในสังคมเลยถ้าปากไว้นะดูหน้าการเมืองกันนะผู้เครียดฟังเรื่องของนบีดีกว่าเขาเรียกว่าคนคนฉลาดอูลุลอัลบาคนที่เรียนประวัติของบรรดา น, นาบีนบีนบีอลัลลอฮ์ชมกันนะอูลุลอัลบาในยุคเรานี่นะ คนนั้นเป็นคนที่ฉลาดสติปัญญาดีเฉียบแหลมไม่ใช่คนจาเห็นเป็ต่คนโง่นะครับครบรอมิสินา บ, บีด้วยกันนะอิสมาอิยาสะ ย, ยูนุสลูอิสมาอินอิดริสดุลกิฟลีザคาริยายาฮยาอินซาอิยาสกุลุมมินอ ส, สาลฮินเป็นคนดีทั้งหมดเลยฟับดัลนะอัลลอมิมนอัลลอ์ยกหนึ่งเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้ แล้วก็เป็นคนที่ดีเลิศเราเป็นคนซ้ลนแร่เอามาเป็นแบบอย่างในการเรื่องของการอดทนในการเผยแพ่อิสลามต่อมาครับอายะห์ที่49ห้ามดูเร่อ هذا ذكر وإن للمتقين ل حسن ما ب ا ฮัซิคว่อินน์ลิมะตั้งีนัลฮุสตนะมาบอัลลอฮอยบบรลฮัมดุลิลละยาเลมนาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอดทนนะอ่าเพราะอดทนไม่ถูกลังแกก็ไม่อะไรนะไม่โมโห ไม่ขู่พยาบาทไม่โกรธทุกรังแกเลยนะไม่โกรธไม่เครืองไม่ขู่พยาบาทอิจฉาด้วยใช่ไมยฮุดีอาบะชาหมดเลยแต่นบมมีอัลมาดอเอาเอาของดีปรมาานบีทั้งหมดเอมามาใช้ในกลุ่มอาับหมดเลยเนี่ยสฮ า, าบานานบีเอามาใช้หมดเลยนะพวกเราวันนี้ก็เอาของดีมาใชา้ถึงได้จะอยู่ได้เราคุมครองอยู่ห้มดยลั่นอายะที่ี่บ้า พาาว่ า, า, า, านี่คือไอท้ที่ที่เล่าเล่ามาที่ผ่านมาเนี่ยวิกรุะเป็นข้ออะไรเตือนใจเล่าประวัตินบีอย่างน้อยสิบคนใช่ไหมที่เอ่ยชื่อตรงนี้มันสามคนเองแต่ถ้าอันราะยะาอื่นแล้วเนี่ยรวมแล้วมันสิบคนเนี่ยนะมีทั้งลูน ด, ด้วยอิสาอิยาสยาสะอะไรพวกนี้นะนะ อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะเล่าให้นบีมาฟังอับดุลเบรีพากุณอาลล่านลงมาให้นบีว่าฮาดิกลุนนี่เป็นข้อเตือนใจสบายใจมนะั้ยจากนั้นกุณอ่านเลื่องนี้เป็นข้อเตือนใจหมดเลยไม่ได้บังคับใครให้นับถืออิสลามด้วยนี่เป็นข้อเตือนใจถ้าเราต้องการจะเป็นคนดีนะ่ะพยายามอ่านกุณอา่านแล้วก็อ่านประวัติของบรรดา น, นาบับีสบายใจโอ้ นี่มันเตือนใจเรานะเตือนใจเรานะเตือนใจเรานะฮาซาิครุนนี่คือข้อเตือนใจเตือนใจใครอ่ะต่อไปวายินนาะและแทจริงลิลมุตตะกีนลีบลีดบวาสำรับมุตตะกีนผู้สารวมตนจากความชั่วอล่อยไหม เป็นข้อเตือนใจมีอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มไหนกลุ่มที่สำรวมตนจากความชั่วทั้งหลายคนที่มีอ ي มานต่ออัลลอฮ์คนที่กลัวอัลลอ์คนที่นึกถึงอัลลอ์เยอะๆนี่นะอ่านกุรอานประวัติของบรรดา น, นาบีทั้งหมด10คนที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่นะคือทั้งหมดก็ได้เนี่ยเป็นข้อเตือนใจสำหรับคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ถ้าตักวาไม่มีมันไส อะไรกันวะอะไรกันวะทาทําทำทำไมอย่างนี้แต่พี่กูกูไม่ยอมนั่มึงนี่ของบรรดานับีทั้ะโหวที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยอัคยาอัลลอฮ์เลือกแล้วเป็นคนดีเลิร์เพราะอดทนไม่ไม่ไม่ไมไมโมโหไม่ผูพ่พยาบาทไม่แก้แค้นใครจำเน้นให้อาภัยหมดเลยแล้วให้อาภัยเป็นยังไงเครียดไหมไม่เครียดดูนบีอัลมัดเป็นแบบ ไปเมืองไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตอได้ตออิฟถูกกี่เรื่องสามเรื่องหนึ่งถูกไล่สองถูกดา่าสามถูกขว้างด้วยหินนับิโกตไหม <c oughs> เลือดไหลน่ะเสร็จแล้วกลับไปขออุอิอัลลอฮุมริลิขุมี วัยอินนาหุมลาอยากละมูนโอ้อ Allah จะอาภัยโทษใ้กลุ่มของฉันด้วยพระผู้เข้ไม่รู้อ่ะเห็นยังครับนี่นะฤทธิ์กรุ<ม>รนเป็นข้อเตือนใจอ่ะวัยอินนาลิมุตตะกินและแท้จริงสำหรับผู้สำรวมตนจากความชั่วได้ข้อคิดอันนี้อันนำมาเป็นใช้ นี่อัลลอฮ์ชมบนบ น, นบนโลกดุนยานะบนโลกดุนยาใบนี้ชมคนเหล่านี้ว่าเป็นมุตตตินแล้วก็อีกคำห uh, นึ่งลาฮุสหนามาฮุสนาแปลว่าประเสริฐหรือว่าดียิ่งฮุสน้าแะลว่าสวยงาม most beautiful นะแปลว่าอันประเสริฐยิ่ง มาอาบสถานที่กลับสถานที่กลับยางเมื่อไรล่ะโลกอะไรโลกอาคริโรมุตตะีนชมบนดุนยาฮุสนมาอาบสถานที่กลับที่ประเสริญยิ่งก็คือตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วต้องเดินบระุิทุนมาชัดไปพบอัลลอฮ์นั่นเรียกว่าฮุสนูมาอาบเป็นการกลับที่ดีที่สุดนี่ชมคนสองโลกเลยนะ โลกดุนยาก็ชมตายไปแล้วได้เข้าสวรรค์ไปอยู่ต่นะอหน้าอัลลอฮ์แบบกลับไปหาอาลัลลอฮ์แบบสงา่างามใช่ดีใจไหมฮามูริลเราเป น, นคนคนกี่โลกอ่าสองโลกครับโลกดุนยากับโลกอาคือเราแต่อย่าอย่าหลงโลกดุนยาเยอะเอาตัวแทนโลกดุนยามีอะไรบ้างควจะลืมพูดมาหนึ่งเงินสอง ชื่อเสียงสามตำแหนง่งสี่เกียรติยศสี่รายการออีกข้อหนึ่งผู้หญิงขาดผู้หญิงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเอาห้าข้อนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยามทีนี้คนที่มีสี่รายการนี่บนโลกนี่เยอะไหมเยอะคนที่มีสี่รายการหรือห้ารายการนี้แล้วก็เอาสรายการนี้มาช่วยาศ า, ออ า, าสนาของอัลลอฮ์สิ แบบนบีทั้งหมดที่ทำมาดีได้ไหมดีอุลโลบัดสง่างามเลยจะอยู่ตรงไหนก็ตามฉันเป็นสวให้คนมาฟังาศาสนาเรียนตับมเซกุอานเรียนฮะดิษฟรีฉันรับผิดชอบแอร์คอนดิชั่นรับผี่ชอบอาหารกลางวันจ่ายค่ารถเดินทางของพี่น้องมุสลิมมาฟังเรับเงินือฉันมีไหมก็ น, นบีก็าทำมาอยู่นี่ไง ท่านใครที่ปัจจุบันนี้ต้องการจะเป็นมุตตะกีนฮุศนุมาับสถานที่กรับแบบปลอดภัยนะเอาเงินที่มีอยู่มาช่วยงานศาสนาซะเอาตำแหน่งที่มีอยู่มาช่วยงานศาสนาซะเอาเกียรติยศที่มีอยู่มาช่วยงานศาสนาซะแล้วก็เอาพร่ยาวสวยๆเราเนี่ยให้กาลังใจเรานะครับไปทำงานศาสนานอกบ้านแบบไม่ต้องห่วงที่บ้านเลยนางกาเธอไปเลยฉันดูแลบ้านเองดูแล โห้ยสัสรรค์งานไหมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่งานเป็นของมีประญยดีมีเงินมีชื่อเสียงมีตําแหน่งมีเกียรติยศแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาดูแลงานศาสนาของอัลลอฮ์ดีหรือไม่ดีอัลฮัมดุลิลลาห์แต่อย่าลืมนะโมโหต้องไม่มีโกรธไม่มีผูกพยาบาทไม่มีอิจฉาต้องไม่มีพยายามเคลียร์ออกกันหมดพยาพยามพยายาพยายาพยายาพยาขอดูอาอิต่ออัลลอฮ์บ่อยๆครับ ต่อมาครับตกลงว่าบรรดาอัลบีทั้งหมดน่ะเป็นข้อเตือนใจนะนาข้อวิกุตข้อรำลึกเตือนใจสำหรับคนที่มุตตีนแล้วก็กลับไปหาอัลลอฮ์แบบสง่างามต่อมาอายาที่50าสิบจันนาติอาเดนิจันนาติอาเดนิมุฟัด ตัพทลลาหุมุลอบวาบจันนติอัจมุฟัตตัพทัลลาหุมุลอบวาบอะลลอฮุอะลลอฮฺดูศัพนะศัพคำสุดท้ายก่อนอะบวาแปลว่าประตูหลายบานบาบุญบานเนี่ยแปลว่าประตูวินโด เฮดดดาวินโดวินโดดยนะประตูหลายบานมุฟัตตฮะถูกเปิดอ้าเอาไว้ถูกเปิดต้อนรับประตูอะไรันนาเดนอะไรสวรรค์ประตูสวรรค์ถูกเปิดอ้าเอาไว้ต้อนรับ คนที่ทําความดีทั้งหมดเนี่ยตอนสุดท้ายของชีวิตพอฟื้นขึ้นมาหลังจากตายในกูโบแล้วเน่ยเดินไปทุ่ง ม, มาซัสเสรแล้วนะพุทธศินแล้วนั่ น, นได้ไปสวรรค์หมดสบาใจไหมได้ไปสวรรค์หมดอัลลอฮ์ก็เล่าน่ยลักษณะของสวรรค์เป็นอย่างนี้ยันนา่าแต่ว่าสวนสวรรค์พระภูพศนะมันจะเอกพจน์นะอลัลลอฮ์เป็นพระพจน์นะ สวนสวรรค์อโลหลายหลากหลายอาดนินแปลว่ามั่นคงสถาพรไม่มีวันหมดอายุคาว่าอดนินเนี่ยอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุสวรรค์ไม่มีวันหมดอายุา ด, นนยยดุนยามมีวันหมดอายุ อะไรหมดดวงยานี่หมดอายุหมดนี่โรคโควิดเนี่ยก็หมดอายุไม่ใช่อยู่ไปตลอดหรอกเ <c oughs> ลาแถมมานิดหนึ่งให้สานึกในความผิดที่ตัวเองทำไว้คนสานึกปลอดภัยหมดเลยคนไม่สานึกแต่อย่าลืม ม, มุสลิมที่ตายโรคโควิดนี่นเองนะ ม, มีแต่นบีสอนเราว่าผลละบุญถ้าประตายชาิด มีญาตัง้งฝ่ายพระยาอู่ที่บางอ้ออย่ไปเยชื่อใครนะเสียชีวิตพี่กับน้องโรงพยาบาล น, นี่ก็ตาชัยต์คนละบุญท่ ก, กตาชัยต์นะครับแล้วนี่ระบาดมาเต็มมวลากล้งคางแนมเราทดสอบจะลืมขอตัว อ, อ <laughs> ลัลลอฮฺไมยินดีอางูซบิกะมินัลบารสีวลจนูนีวลจุดามวะมินไซลอัสกอ อัสว่าโรคโรคร้ายๆอย่างนี้ใส่ชื่อด้วยโควิดประดาโควิด -19 อันนี้เป็นต้น น, น, น, นะัยนิดนินคือสวรรค์หลากหลายอาดนินแปลว่าสถาพอสถาพรเป็นภาษาราชาศัพท์มาเปิด this ดิกสันเดอรดูแต่ว่ามั่นคงยั่งยืนไม่มีวันหมดอายุอาดนินเนี่ย อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุอะไรสวรรค์มุฟัตตาฮะมาจากฟาตาฮะแปลว่าเปิดอ้าเปิดเอาไว้ตอนรับอุลามาอธิบายดีนะก็บอกว่าบ้านเราเนี่ยมันก็เป็นสวรรค์บนบนบนบน บ, น บ, นบนุญญาใช่ไหมคนที่มีบ้านอยู่เ น, นี่ยนะรอจะทำอยู่เลยละบ้านใครบ้านมันอยู่สบายใช่ไหมล่ะมีอมีแอด้วย บางคนบ้านกว้ามีเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดก็ปเป็นสวรรค์ดุนยาบางคนลืมอาคิรองมีมันมีอยู่บ้านหลังหลังหลังดุนยาเนี่ยลืมอาครอลหนึกว่าบ้านฉันเป็นสวรรค์แล้วไม่นามาด้วยไม่อ่านกุณอ่านด้วยไม่ซิกุลรู ล, ล่อด้วยข้าวบ้านไม่สลามอีกโอโ้โหหลงไหลวัตถุเล็กๆน้อยๆมุฟัตตะฮะต่วัาถูกเปิดเอาไว้บ้านเรานี่ บางทีจะเข้าบ้านประตูปิดมีเป่าต้องยืนรอห้านาทีเปิดประตูหโหนี่ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนหาไม่เจอเอ้ายี่สิบนาทีเคยมหมเคยเอ้อนเล่าให้ฟังเลยถ้าประตูสวรรค์นี่นะเรื่องปิดไม่มีมีแต่เปิดตอนรับเอาไว้ไม่ต้องไปเคาะประตูด้วยพอเดินกรเข้าเลยห้ามูเลยเลยไม่ต้องไปเรียก ขออนุญาตเข้าหน่อยได้ไหมไม่จำเป็นกับมุฟัตตะฮะถูกเปิดอ้าตอนรับเอาไว้เลยสมาริกนี่เป็นการให้เกียรติคนมุตตะตีนคนที่นมาคนอ่านคนอ่านซิกรุลล่ออดทนทำงานศาสนาอดทนดูแลพ่อแม่เอาใจใส่พ่อแม่อวังรางวัลตอบแทนจักรวาลมุดเลยเนะ่เดินเข้าสวรรค์แบบอลัลลอฮต่อมาครับลาหูมุลอาบ สำหรับพวกเขามีประตูหลายบานประตูสวรรค์เปิดตอนรับประตูสวรรค์มีอยู่เจ็บานมีเจบานแล้วก็มีชื่อทหารนาะรอ ย, ยาในประตูของคนที่ถือถืออะไรนะถือสินอดประตูนามาดมีประตูนุ่นมีอัลลอฮ์เป็นครับแล้วประตูนะความกว้างนะไม่ใช่ประตูสุราห์นะอัลลอฮ์จ้าเมืองนั่นถึงเมืองนี่ความกวาม้วางของประตูสวรรค์อัลลอฮ์อฟว่าสบายใจเลยเหลาไครับ อ่ะท น, นี้เนี่ยรอดเล่าเรื่องสวรรค์ให้ฟังนะในสวรรค์เนี่ยเราเคยเล่าก็เธยอ่านมาแล้วใช่ไหมนะ่ะสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺอักบัต์น บ, บีสอนอย่างนี้มาลาอินุนรอัดตาไม่เคยเห็นตาเราเนี่ยอยู่บนดุนยามากี่ปีก็ตาแต่นะบนดุนยาเนี่ยไม่มีเหมือนสวรรค์ในสวรรค์นี่ไม่เหมือนโลกโลกดุนยา อโลพักวัดเรื่องที่สองวลาอูดุนุนสามาีอาถูไม่เคยได้ยินมาก่อนทําไมเสียงเพราะอย่างนี้ทําไมดีอย่างนี้ไม่เคยได้ยินบุนญรุ่ยานี้ไม่เคยได้ยินแต่ในสวนรรค์จะได้ยินอันที่สมหัวใจไม่เคยนึกคิดมาก่อนสามรายการหนึ่งตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจไม่สามารถจะคิดมาก่อนโอ้โหมาได้ยังไงเนี่ย อัลฮัมดุลิลเลาห์แต่จะเข้าสวรรค์ได้ต้องอดทนสูงต้องเอาอัคลาของบรรดานับีอย่างเราก็อับีมุฮัมมัดนี่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเรียกสุนัขอับีไงอ่าได้ครับเอาต่อมาครับอายะที่51มุตตะกีนาฟิฮายาดะอูนฟิฮา b i ฟะกิหติงกัสซีรอติหูวาชาโรบมุตตะกีนอาฟีฮะยาดงอาฟีฮะบีฟะกิหติงกัสซีรอกัสซีวัดิหูวาชาโรบอัลฮัมดุลิลลาหในสวรรค์เนี่ยมีอะไร คือแล้วก็อ่านผ่านมาแล้วมานะั้นมุตตะกีนถ้านั่งในสวรรค์เนี่ยนั่งยังไงก็ไมหรือนอนก็ได้นอนหรือนั่งแตบบ่ไนะัเอนเ อ, นเอกเนกเพราะอยู่บรรดุญญาก็เหนื่อยถูกด่าก็อดทนเมียทำอะไรมาถูกใจกอดทน ให้อภัยอาภูฮันดาคุณเลยเอาเหม็นสบายนำ้ำมรญาติพี่น้องมาดาให้อภัยโตต่อบ้างเลยเรียกเลยน้อยไปเผยแผ่ศาสนาถูงด่าอัลสุนาดานบีไปสอนเองจะเป็นอะไรเนี่ยมาแตกแยกถ้าไม่ยาติพี่น้องมาแตกกันเล้วเลยโอ้โหอัลสุนาไปสอนไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามันขยายเปนเยอะแล้วทำยังดีแล้ว พอทนต่อการทดสอบของอรรมบนดุลย์ยาพอเข้าสวรรค์ครับมุตจีอีนะนั่งนั่งหรือนอนเอนเอกเอกคเนกท้าไหนผ ม, ผมทำใม่เป็นทำเป็นใช่ไหมน่นแหละนองเอกคเนกนัน่นแหละโยกแข้งยกขาแล้วก็เชิตามสบายเลยต่อมาครับฟรีฮาในสวรรค์ต่อมาครับ นอนเอกเนกหรือนั่งเอกเนกะยัเอนาพวกเขาเรียกหาเรียกหาอยากได้อะอยากได้อะไรนะฟีฮาในสวรรค์อลัลลอฮ์เล่าเองนะอยากได้อะไรมากที่สุดบฟีฟากีฮตผลไม้ฟากได้ผลไม้ผลไม้ผลไม้ อยากอยู่ในสวรรค์อยากกินผลไม้เห็นยัยงครับอย่าอาหารอย่างอื่นไม่อร่อยเท่ากับผลไม้ครับผลมไม้ม่ใช่อัมณ์อย่างเดียวหลากหลายชนิดวอแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยอุลมามะฮัดดิสนบียสอับนะไว้ที่กินผลไม้เนี่ยไม่ใช่กินเพราะหิวนะกินเพราะชิมเตสติ้งเตสติ ง, ตงมาชิมดูหน่อยไม่ใช่เพราะหิวนะ เอา i ินทรีย์ ม, มาเ i ื่องรออินทรีย์อะไรเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนกันดุนยาเลยลวมันดีที่สุดเขาลุงเงาะหน่อยลุงเาะไทย อ, โ อ, โ อ, โ อ, โอ่ะอลลออัลลอ์วันวัุงเาะอะไรเป็นอย่างนี้ทุเรียน อ, ลอันอลลอฮ์ก็ทวไม่เหม็นเลยทุเรียนขึ้นบินไม่ได้ <c oughs> แต่ในอาเซรเนรี่ยอัลลอ์วันัเห็นไหมอยากได้กินผลไม้อยากได้ผลไม้เห็นไหมผมก็เริ่มแล้วนะ เริ่มชีวิตผมเนี่ยพยายามผูกทานทางทางผลไม้เยอะกินข้าวไม่น้อยสุขภาพสุขภาพแข็งแรงครับนี่เอาชีวิตในสวรรค์มาเล่าให้ฟังนะเนี่ยอรรถตลาดเก่งกันานไให้ระเบียบว่าเนี่ยถ้าต้องการจะมีสุขภาพแข็งแรงกินผลไม้เยอะๆอะต่อมากกซีโรตินอ้าวผลไม้นอกน้อยหรือมากมาเห็นไหมกินผลไม้เยอะๆบนดุยยานี่ก็เหมือนกัน กินผลไมเยอะผลไมนะ <c oughs> <c oughs> อย่า ก, กินเนื้อเยอะเนื้อเยอะไม่ไดี <c oughs> อาตอมาอีกกินอะไรอีกว่าชารเครื่องดื่มอโลอัคบาดดื่มไม่ใช่น้าเย็นอย่างเดียวอะไรนะ่ะน้านมน้าพึง่งแล้วก็น้าเหล้าแล้วก็น้าบ ร, ริสุทธิ์เสียรายการเลือดเอา จะกินขั้นอะไรก็เชิญขั้นมะนาวขั้น น, น, นุ่งขันนี้สังเอ้ยปาปามาเลยเลาทำด้วยเลยละอย่าเดานะเรียกหาด้วยแล้วก็ไม่แต่เรียกหาด้วยใช่ไหมที่ขออยู่บนดุงยาตรงนึกใหม่อยู่บนดวงยามาที่ขอแล้วนะไม่ได้อ่ะขอหนา้าให้ใ ห, ให้ฉันกินหน่อยครับครับครับครับลืม แต่ในสวรรค์ไม่มีเพราะขอปั๊บได้เพื่อนบางที่ไม่ขอก็ลอยมาแล้วรอ แ, แค่แค่แค่เอื้อมหยิบแค่นี้เองระห่ำดูดิ ล, ละชีวิตในสวรรค์อรอระห่ำดูดิ ล, ละเอาต่อมาครับตัวลงว่าอัลลอฮ์เล่านะมีอะไรมีผลไม้กับเครื่องดื่มอาหารหนักในอะายะอื่นมีเนื้อนกอเนื้อนกเป็นอาหารหนักนะแต่ว่ากินกินผลไม้ก่อน ตามโดยเนินกแล้วก็ตามโดยเฮลูไนน์อัลลอฮฺพรียาอีกโอ้ยในสวรรค์สบายจริงๆต่อมาครับในในสวรรค์นะสุรยาสีอธิบายอย่างนี้นั่งเอกเนก อ, อยู่ในร่มเงาหุมวะอัวายุมฟีเวลาลินอาลลอร่อยกิมุตตะกิูลละหุมฟีฮาฟากิฮะตัวละหุมมายัดดาวน์ับรพวกเขานั้นมีผลไม้แล้วก็ ที่เขาต้องการและอีอย่างหนึ่งในสวรรค์ซาลามุนนิเสียงซาลามซาลามเสียงของ Allah กาวลามิรับิรอฮิมจากพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาเสมอกำลังนั่งเพลินเผคอกินผลไม้มีาซาลามเสียง Allah ประทับชื่นใจอยู่บ้านในไอ้เหี้ย โ, โเครียดเลยเราการั่งอ่านุนอานเสียงมันไอ้ยัยสัก โ, โหอักบนาบุดๆลยไม่อยากได้ยินนะ่ะแต่มันได้ยินได้ยินบนทุนยาเบ น, า น, านี่ด่าคนด่านี้เดินผ่านหน้าบ้านเราเรได้ยินอนะ่ะเราเราอดทนอัสตะบุลลอห์พระอกุอันซลามุลสันติอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจ น, นะนั่นเกเลือก เลือกบ้านคนอยู่ที่ดีสบายใจจะเปเลือกบ้านคนแย่ๆแล้วคนเครียดที่สองที่สามทลก็เลย <c oughs> อันนี้เป็นต้นนะนนึ่นต อ, นนะอต่อมัครับนะซุร่อัลวะนะบิอควาบิววาอบารีกวะกะสิน ม, มิมาอินมีจอกมีสุรายสุรายเนี่คล้ายกับคนคอนโทรมีคอยาวแล้วก็มีแก้วน้ำ ทำไมแก้วน้าติดเต็มเต็มเต็มเพียบในสุราเอิญอธิบายอย่างนี้กูอ่านอธิบายว่าแก้วน้าเนี่ยเขาตั้งเป็นที่ต้องการจะสอนแม่บ้านทั้งโลกนี่แหละแม่บ้านจะต้องวางของเป็นที่เพราะในสวรรค์แจ้ววางเป็นที่ช้อนวางเป็นที่ทั้งหมดวางเป็นที่หมดเลยไม่มีขยื่นไปไหนเพราะว่าง่ายจากการที่จะเดินไปหาเนี่ เรียนกุญอ่านอย่างเดียวได้ข้อมูลเต็มเลยดะงนั้นแม่บ้านต้องฟังกุญอ่านเยอะๆวางแก้วเป็นที่วางถ้วยจานเป็นที่เพราะจะเอาแก้วให้แก้วไปไหนอ้าวย้ายที่ไปอยู่ตรงนู้นอยูแล้วโอโ้โหเห็นไหมในกุญอ่านอธิบายไว้แก้ววางเป็นที่นะครับมีคอนโทมีอะไรแต่อะไรเยอะไปหมดเลยแสดง ว, ว่าในสวรรค์อะไรอาหารหลักอะไรก็ผลไม้เครื่องดื่ม นกักการบันอาหารหลักเลยแล้วก็ไมใจะกินเพราะหิวกินเพราะอยากจะลองดูลองดูลองดูลองดูงดงดทีนี้ในกัมภีร์อธิบายอีกลาอยู่ซดหนาวหนานเวลายุนซีฟูนพวกเขาไม่ถูกทำให้ปวดหัวกินน้ำผลไม้อะไรก็ตามแต่และกินเหล้าในสวรรค์มีไม่มีไม่ทำไม่ปวดหัวอัลลอ์แล้วก็ไม่หมดสติไม่เมาไม่อาเจียน แต่ลาบบนดญงยานอาเจียนเปล่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อประยุทธ์เรียนหนังสืออยู่ในอินเดียนรับผมพอเรียนาศาสนาเขาเรียนสามัญ น, นะนไปไป่ะเขาชวนมาไปเมาแล้วก็ต้องหิ้วกลับบ้านนี่มันสามสี่สิบปีแล้วเนี่ยหล่านถึงกุงอาเลยหล่อเนี่ยคนบางเป็นอย่างนี้นะเหยี่ยวแตกด้วยอาเจียนด้วยนึกถึงกุงอาเลยเนี่ย โอ้นี่ถ้าไม่สัมผัสไม่รู้แล้วยุติเป็นคนอินเดียนะเกิดในอินเดีย อ, อยู่ในสภาวะรันนี่มาได้มาได้มาไ ด, ด้พบเลยนะตอนตกรบมันจะอินเดียนะผมก็ไม่อยากพบด้วยต้นน่ครับมจะเลยเลยทีนี้อยู่ในสวรรค์นี่อยู่อยู่อยู่บนเตียงที่ถูกถักไว้นั่งเอกเนเกขันหน้าเข้าหากันแต่โรคโควิดนี่ต้องอยู่ห่างกันกี่เมตรเท่าไหร่นะ เม็ดครึ่งถึงสองเม็ดต่ยังเป็นต้นนะครับเอาต่อมาอายาที่ห้าสิบสองว่อินดห์ุมกอศิรอตุตอฟิอัตระบว่อินเดหุมกอศิราตุตรฟิอัตระบอัลฮะบดุลิลลาอายาเนี่เล่าถึงภรรยากินอาหาแล้ว เครื่องดื่มแล้วสถานที่อยู่สบายแล้วต้องมีภรรยาใช่ไหมเป็นเขาดุนไอเอนเขาดุนไอเอ็นกับภรรยาเราเนี่ความสวยไม่เหมือนกันคนที่แต่งงานบนดุนยาเบนี้และภรรยาได้ไปสวรรค์เราได้ไปสวรรค์ภรรยาเราพอเข้าสวรรค์แล้วสวยกว่าเขาดุนไอเอ็นที่ผู้หญิงอรรถจากท่นในสวรรค์นะภรรยาเราเนี่ยสวยกว่าท่านแต่งงานเถอะ เดี๋ยวไม่รู้พยาเราเป็นยัไยงไไม่เคยแต่งอนะ่ะไม่เคยรู้พอแต่งเดี๋ยวรู้ทำไมความรับผิดชอบเราเอาล่อให้ให้ให้ผลระบุญเยอะนคนที่รับรับรับผิดชอบงานเนี่ยนะแล้วก็ดูแลอย่างดีทุกดา บ, บ้างอะไรบ้างเฉยๆนี่นะรางวัลเจอะมา ก, กับอัลฮัมดุลิลลาฮว่าอินดาม และข้างข้างภูเขาอินดาหุมเนี่ยแปลว่าที่พวกเขาหรือข้างข้างภูเขาและอยู่กับเขาแต่ได้หมดแต่ข้างข้างภูเขานั้ดีกว่านะมันสมเกิดเป็นภรรยาอย่างไรนะข้างข้างภูเขานั้นมีผู้หญิงกอซิรอดมีนางกอซึ่งแปลว่าต่ําลมสายตาเนี่ย ตัดฟิบ ว, ว่าสายตากสิโรตแ ว, ว่าต่ำลงทท <c oughs> ดสายตาต่ำมองต่ำไม่ใช่มองสูงถ้ามองสูงเรียกว่าชงเงอ้อถ้ามองต่ำนี่เป็นมารยาทของภรรยาในสวรรค์บนดุนยานี้ส่วนใหญ่จะชงเงอ้อใช่ไมจ๊ะมอง ผู้หญิงก็ผู้ชายก็เฉง่อผู้ชายผู้หญิงก็เฉื่อแต่ในสวรรค์ผู้หญิงที่เป็นพระยาของเรานั้นไม่มีใครเฉง่อมองต่ำเขินอายใช่ไหมนี่ลักษณะของพระยาอรรรละให่ฝันฉะนั้นในสวรรค์มีพระยาไม่มีครับอยู่แบบไหนครับสายตาเนี่ยมองต่ำมองใครบ้างมองเฉพาะสามีตัวเองไม่มองคนอื่น บุญญาในมีเปล่าบางคนมีผัวสองคน อ, อยู่ในบ้านคนนอกบ้านอีกคนนึงเล่าให้ฟังนะมันจะตํำหนิใครเราจะเยอะแยะไปหนึ่งผัวที่บ้านคนอยู่ข้างนอกอีกคนมีกิก๊แต่อาคคีร๊อบไม่มีนะสวรรค์ไม่มีครับสายตาของภรรยานั้นมองต่ำเขินอายดีหรือไม่ดีดอรอแล้วก็มองเฉพาะสามีตัวเองต่อมาครับ อัทรบรุ่นราวข่าวเดียวกันอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันอายุเท่าไห ร, ร่รู้ป่ะ33แบบนบนีไอซาอะเลฮิสสลาห์นบีซาถูยกลบบับมาชันฟ้าจะมานั่นแหละอายุ3 3 3 3 3ม3าแล้วมันกลับมาอีกทีนึงมาอยู่อีก7ปีกลายเป็นปสีปี พอตาล้อาไปฟังที่คุโบผู้กับมนบีที่นครมาดีนาเฮียครับให้ไปเขา ข, ข, ข, ของอิสลามทั้งหมดฉะนั้นอายุรุ่นราวข่าวเด็กผู้ชายกับภรรยายอายุพอๆกันดีหรือไม่ดีร อ, อความรักกัรักเท่ากันสวยก็สวยพอๆกันดีหรือไม่ดีอย่าีเป็นต้นนะครับเอาเราเล่าให้ฟังนะครับตัวงว่าสายตาสําคัญที่สุดนะครั บ, บรมันทำเดรลิล อัทรรพเพวาอายุเท่ากันภาษาอุดูเราว่าห้มอุมัธอายุเท่ากันแล้วก็ความสวยก็เท่ากันแล้วก็ความรู้สึกความรักก็เท่าเท่ากันนั่นจะสิ้นมาจีนีภาษาอุดูสามีภรรยามีความรักเท่ากันเป็นห่วงเหมือนกันเอาอกเอาใจเท่ากันแล้วก็วางตัวเป็นกันเองอัลลอฮฺอัลลอฮมุสตาบิยัดอัลอสนานบันาต อายุสามปีอัลลอฮฺอัลบาริฮ์ฮามดุลิลลาฮฺปะมาย่สุดทายะครบี่นองที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นอะไรฮะดามะตูอะดุนลียอมิลฮิซบะามตูอะดุนเีอมิลฮิซบฮะวนี่คือ ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดนะมีสวรสค์มีอาหารมีผลไม้มีเครื่องดื่มมีภรรยาตาไม่เชงเงอมองเฉพาะสามีตัวเองมีเขินอายทั้งหมดเหล่านี้อรลันต์ให้นี่นะมาตัวอดุลที่สู่เจ้าได้ถูกสัญญาเอาไว้คุณจะได้ตามที่คุณถูกสัญญาเาไว้ี่สัญญาไว้จะมาจะได้นุ้นได้นี่ได้นี้ได้นั้นได้เมื่อไรครับ เลี้ยงมิลคิซับสำหรับวันแห่งการคิดบัญชีคิซาบแปลว่าคิดบัญชีหมายถึงวันวันวันเกียรมั้มีหลายชื่อวันคิดบัญชีวันเด็คนกาเฟสเสียใจวันเด็มุมินดีใจนะวันวันเกียรมั้งหมดเลยชัวันคิดบัญชีฉะนั้นสัญญาเหล่านี้เป็นเรื่องจริง อัลลอฮฺจะมอบสัญญาเหล่านี้ตามที่ผุ้ท่านถูกสัญญาไว้ว่าทําความดีดูความอดทนตามสุนนะนบีอ่านอัลกุลอ่านซิกรุลลอห์ทำดีกับพ่อแม่อย่าทะเลาะ ก, กับภรรยาตัวเองดูแลลูกให้ดีคุณจะได้ร า, างวัลตามที่อัลลอฮฺถูกสัญญากับคุณไว้ในวันไหนเลียวมิลฮิับในวันคิดบัญชีหรือวันชําระบัญชีอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำดีๆเลยมั่อศรัทธาใจนะ เนี่ยฟังพูดอาสบายใจตรงนี้นะตะนนั้นมองอัคลาของนบีมุฮัมมัดพาะนาบีเป็นอัคราของนบีทั้งหมดอยูนันอับดหลมัดหมดเลยกว่าจะเลือกอันนี้มาลองมองแล้วมองอีกมองใครดีนะ้าเอามุฮัมมัดนะครับเป็นเด็กกรพ้าด้วยลูกกรพ้าพ่อตายแม่ตายอย่างนี้แต่อัครา ด, ดีไซนชั้นหนึ่งเลยนะอัลลอรละัสซุบฮานะกลลฮุนะบิฮัดิซุลลยละอิลล อ a ศตภูริคาวาตุเบญได